เวิญญาณห้าไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุวิทยุจากเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่เป็นรูปเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของพันธะเป็นอารมณ์ของโอคะเป็นอารมณ์ของโยคะเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นอารมณ์ของปรามาตเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอภยากฤิตรับรูอารมณ์ได้ ไม่เป็นเจตสิกเป็นวิบากกา ร, รมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่สัหระโคด้วยปีติไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสามไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสาม ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขะบุคคลเป็นปริตตะเป็นกามาวจรไม่เป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจรนับเนื่องในวัตทุกไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัตทุกให้ผลไม่แน่นอนไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมนโนวิ ญ, ญญาณรู้ได้ไม่เที่ยงถูกชราครอบงำ คำว่าวิญญาณห้ามีวัตถุเกิดขึ้นมีอารมณ์เกิดขึ้นอธิบายว่าเมื่อวัตถุเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นวิญญาณห้าก็เกิดขึ้นคำว่าวิญญาณห้ามีวัตถุเกิดก่อนมีอารมณ์เกิดก่อนอธิบายว่าเมื่อวัตถุเกิดก่อนเมื่ออารมณ์เกิดก่อนวิญญาณห้าก็เกิดขึ้นคำว่าวิญญาณห้ามีวัตถุเป็นภายในมีอารมณ์เป็นภายนอกอธิบายว่า วัตถุของวิญ ญ, ญาณห้าเป็นภายในอารมณ์ของวิญญาณห้าเป็นภายนอกคำว่าวิญ ญ, ญาณห้ามีวัตถุไม่แตกดับมีอารมณ์ไม่แตกดับอธิบายว่าเมื่อวัตถุยังไม่แตกดับเมื่ออารมณ์ยังไม่แตกดับวิญ ญ, ญาณห้าก็เกิดขึ้นคำว่าวิญญาณห้ามีวัตถุต่างกาันมีอารมณ์ต่างกันอธิบายว่าวัตถุและอารมณ์ของจักุวิญญาณเป็นอย่างหนึ่ง วัตถุและอารมณ์ของโสตะวิญญาณก็เป็นอย่างหนึ่งวัตถุและอารมณ์ของคานะวิญญาณก็เป็นอย่างหนึ่งว really> ัตถุและอารมณ์ของชิวหาวิญญาณก็เป็นอย่างหนึ่งวัตถุและอารมณ์ของกายวิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคำว่าวิญญาณห้าไม่สวยอารมณ์ของกันละกันอธิบายว่าโสตะวิญญาณไม่สวยอารมณ์ของจักขวิญญาณจักขวิญญาณก็ไม่สวยอารมณ์ของโสตะวิญญาณ ขานวิญญาณไม่สวยอารมณ์ของจักขวิญญาณจักขวิญญาณก็ไม่สวยอารมณ์ของขานวิญญาณชิวหาวิญญาณไม่สวยอารมณ์ของจักขวิญญาณจักขวิญญาณก็ไม่สวยอารมณ์ของชิวหาวิญญาณกายวิญญาณไม่สวยอารมณ์ของจักขวิญญาณจักขวิญญาณก็ไม่สวยอารมณ์ของกายาวิญญาณจักขวิญญาณไม่สวยอารมณ์ของโสตะวิญญาณละถึง จากขุวิญญาณไม่สวยอารมณ์ของคานาวิญญาณจากขุวิญญาณไม่สวยอารมณ์ของเิวหาวิญญาณจากขุวิญญาณไม่สวยอารมณ์ของกายาวิญญาณแม้กายาวิญญาณก็ไม่สวยอารมณ์ของจากขุวิญญาณโสตะวิญญาณไม่สวยอารมณ์ของกายาวิญญาณแม้กายาวิญญาณก็ไม่สวยอารมณ์ของโสตะวิญญาณคานวิญญาณไม่สวยอารมณ์ของกายาวิญญาณ แม้กายาวิญญาณก็ไม่สวยอารมณ์ของคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณไม่สวยอารมณ์ของกายายวิญญาณแม้กายาวิญญาณก็ไม่สวยอารมณ์ของชิวหาวิญ ญ, ญาณคำว่าวิญญาณห้าไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ใส่ใจอธิบายว่าเมื่อใส่ใจอยู่วิญ ญ, ญาณห้าก็เกิดขึ้นคำว่าวิญญาณห้าไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มนานสิกานอธิบายว่าเมื่อมณนาสิการอยู่ วิญญาณหก็เกิดขึ้นคำว่าวิญญาณห้าไม่เกิดขึ้นโดยไม่สับลำดับกันอธิบายว่าวิญญาณห้าไม่เกิดขึ้นตามลำดับของกันและกันคำว่าวิญญาณห้าไม่เกิดขึ้นพร้อมกันอธิบายว่าวิญญาณห้าไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันคำว่าวิญญาณห้าไม่เกิดขึ้นในลำดับของกันและกันอธิบายว่าโสตะวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักขวิญญาณเกิด แม้จ right ักขูวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับท mhm, ี่โสตะวิญญาณเกิดคาณาวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักขูวิญญาณเกิดแม้จักขูวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่คานาวิญญาณเกิดชิวหาวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักขูวิญญาณเกิดแม้จักขูวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่ชิวหาวิญญาณเกิดกายวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักขูวิญญาณเกิด แม้จักขรวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่กายวิญญาณเกิดจักขรวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับโสตะวิญญาณเกิดและถึงจักขรวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่คานาวิญญาณเกิดจักขรวิญญาณไม่เกิดในลำดับชิวหาวิญญาณเกิดจักขรวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่กายวิญญาณเกิดแม้กายวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักรวิญญาณเกิด โสตวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่กายะวิญญาณเกิดแม้กายะวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับโสตวิญญาณเกิดคานวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่กายะวิญญาณเกิดแม้กายะวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่คานาวิญญาณเกิดชิวหาวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่กายะวิญญาณเกิดแม้กายะวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่ชิวหาวิญญาณเกิด คำว่าวิญญาณห้าไม่มีความผูกใจอธิบายว่าความนึกความคิดความพิจารณาหรือความทําไว้ในใจไม่มีแก่วิญญาณห้าคำว่าบุคคลไม่รู้แจ้งทําอะไรอะไรด้วยวิญญาณห้าอธิบายว่าบุคคลไม่รู้แจ้งทําอะไรอะไรด้วยวิญญาณห้าคำว่าเว้นแต่อารมณ์ที่ตกไปอธิบายว่าเว้นแต่เพียงอารมณ์ที่มาปรากฏคําว่า บุคคลไม่รู้แจ้งทำอะไรอะไรแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห้าอธิบายว่าบุคคลไม่รู้แจ้งทำอะไรอะไรแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณห้าคำว่าบุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไรอะไรด้วยวิญญาณห้าอธิบายว่าไม่สำเร็จอิริยาบถอะไรอะไรคือการเดินยืนนั่งหรือนอนด้วยวิญญาณหาคำว่า บุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไรๆแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณหอธิบายว่าบุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไรๆคือการเดินยืนนั่งหรือนอนแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณห้าคำว่าบุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมด้วยวิญญาณหอธิบายว่าบุคคลไม่ประกอบกายกรรมไม่ประกอบวจีกรรมด้วยวิญญาณห้าคำว่า บุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห้าอธิบายว่าบุคคลไม่ประกอบกายกรรมไม่ประกอบวจีกรรมแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณห้าคำว่าบุคคลไม่สมาทานสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยวิญญาณห้าอธิบายว่าบุคคลไม่สมาทานสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยวิญญาณห้าคำว่า บ, บุคคลไม่สมาธานสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห้าอธิบายว่าบุคคลไม่สมาธานสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณห้าคำว่าบุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติด้วยวิญญาณห้าอธิบายว่าบุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติด้วยวิญญาณห้าคำว่า บุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณหาอธิบายว่าบุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติแม้ด้วยมโมท่าในลำดับต่อจากวิญญาณห้าคำว่าบุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิด้วยวิญญาณหาอธิบายว่าบุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิด้วยวิญญาณหาคำว่าบุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิ แ ม, weiß, แม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห้าอธิบายว่าบุคคลไม่จุติไม like ่ปฏิสนธิแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณห้าคำว่าบุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันด้วยวิญญาณห้าอธิบายว่าบุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันด้วยวิญญาณห้าคำว่าบุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห้าอธิบายว่า บุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณห้าความรู้เรื่องวิญญาณห้าดังกล่าวมานี้ชื่อว่าปัญญาที่แสดงเรื่องของวิญญาณห้าตามที่เป็นจริงยานวัตถุหมวดละหนึ่งมีด้วยประการฉนี้เอคาณิเทศจบ กปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอัพญากฤิตในภูมิสามชื่อว่าโลกิยะปัญญาปัญญาในมรสีผลสีชื่อว่าโลกุตระปัญญาปัญญาทั้งหมดชื่อว่าเจเนจิวิญเยยะปัญญาและชื่อว่านัตเกเนจิวิญเยยะปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอภิญากฤิตในภูมิสามชื่อว่าสาสวะปัญญา ปัญญาในมัคสีผลสีชื่อว่าอนาสวาปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอภยากฤิในภูมิสามชื่อว่าอ า, าสวะวิปยุตต์สัสะวาปัญญาปัญญาในมัคสีผลสีชื่อว่าอ า, าสวะวิปยุตต์อนาสวาปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอภยากฤิในภูมิสามชื่อว่าสัญโยชนิยปัญญาปัญญาในมัคสีผลสีชื่อว่า อสัญโยชนิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกฤิในภูมิสามชื่อว่าสัญโยชนะวิปยุตตะอสัญโยชนิยปัญญาปัญญาในมัคสีผลสีชื่อว่าสัญโยชนะวิปยุตตะอสัญโยชนิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นก pues. ุศลและอัพยกฤิในภูม <Jan ek. S 1> ิสามชื่อว่าคันธิยปัญญาปัญญาในมัคสีผลสีชื่อว่า อคันถานิยปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤิในภูมิสามชื่อว่ญญาคันถาวิปยุตตะอคัรรอนธนิยปัญญาปัญญาในมรสีผลสีชื่อว่าคันถาวิปยุตตะอคันธนิยปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอภยากฤิในภูมิสามชื่อว่าโอคนิยปัญญาปัญญาในมรสีผลสีชื่อว่าอนโคนิยปัญญา ปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอภัยากริในภูมิสามชื่อว่าโอควิปยุตตะโอคณิยปัญญาปัญญาในมัคสีผลสีชื่อว่าโอควิปยุตตะ อ, อนโนคณิยปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอภัยากริในภูมิสามชื่อว่าโยคณิยปัญญาปัญญาในมัคสีผลสีชื่อว่าโยคณิยปัญญา ปัญญาในสภาวะธรม ok y utta, y ok ญญมรม ok ok ท, ที่เป็นกุศลและอัพยกฤิตในภูมิสามชื่อว่าโยควิปยุตตะโยคณิยปัญญาปัญญาในมรสีผลสีชื่อว่าโยควิปยุตตะอโยคณิยปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกฤตในภูมิสามชื่อว่านิวรินยปัญญาปัญญาในมรสีผลสีชื่อว่าอนิวรณนยปัญญา ปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอภัยากฤิในภูมิสามชื่อว่านิวรณวิปยุตตะนิวรณิยปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสีชื่อว่านิวรณวิปยุตตะอนิวรณิยปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอภัยากฤิในภูมิสามชื่อว่าปรามัตปัญญาปัญญาในมรรคสีผลสีชื่อว่าอปรามัตถปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอภยากฤตในภูมิสามชื่อว่าประมาณสวิปยุตตะประมาณมัทธปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสีชื่อว่าประมาสัวิปยุตตะอปธรรมัทธปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิสามชื่อว่าอุปาทินะปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอภยากตะกิริยาในภูมิสามและในมรรคสี่ผลสีชื่อว่า อนุปาทินะปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอภิญญากฤตในภูมิสามชื่อว่าอุปาทานิยปัญญาปัญญาในมรสีผลสีชื่อว่าอนุปาทานิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัิญากฤตในภูมิสามชื่อว่าอุปาทานวิปยุตตาอุปาทานิยปัญญาปัญญาในมรสีผลสีชื่อว่าอุปาทานวิปยุตตาอนุปาทานิยปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกฤตในภูมิสามชื่อว่าสังกิเลสกะปัญญาปัญญาในมัคสีผลสีชื่อว่าอสังกิเลสิกะปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกฤตในภูมิสามชื่อว่ากิเลสาวิปยุตตาสังกิเลสกะปัญญาปัญญาในมัคสีผลสีชื่อว่ากิเลสาวิปยุตตาอสังกิเลสิกะปัญญาปัญญาที่สัมปยุต ด, ด้วยวิตกชื่อว่า สวิตกะปัญญาปัญญาที่วิปยุตจากวิตกชื่อว่าอวิตกะปัญญาปัญญาที่สัมปยุตด้วยวิจารณชื่อว่าสวิจาระปัญญาปัญญาที่วิปยุตจากวิจารณ์ชื่อว่าอวิจาระปัญญาปัญญาที่สัมปยุตด้วยปีติชื่อว่าสปีติกะปัญญาปัญญาที่วิปยุตจากปีติชื่อว่าอปีติกะปัญญาปัญญาที่สัมปยุตด้วยปีติชื่อว่า ปีติสหคตะปัญญาปัญญาที่วิปยุ์จากปีติชื่อว่าณปีติสหกคตะปัญญาปัญญาที่สัมปยุ์ด้วยสุขชื่อว่าสุขสหกคตะปัญญาปัญญาที่วิปยุ์จากสุขชื่อว่าณสุขขาสหัคตะปัญญาปัญญาที่สัมปยุ์ด้วยอุเบกขาชื่อว่าอุเบกขาสหกคตะปัญญาปัญญาที่วิปยุ์จากอุเบกขาชื่อว่าณอุเบกขาสหคตะปัญญา ปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกลามาวจรกุศลและกลามาวจรอภยากฤิชื่อว่ากลามาวจรปัญญาปัญญาที่เป็นรูปาวจรปัญญาที่เป็นอรูปาวจรปัญญาที่ไม่นับหนึ่งเหนือนวัตถุชื่อว่านักกามาวจรปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นรูปาวจรกุศลและรูปาวจรอภยากฤิชื่อว่ารูปาวจรปัญญาปัญญาที่เป็นกลามวจร ปัญญาที่เป็นอรูปราวจรและปัญญาที่ไม่ like er, นับหนื่งในวัตทุกข์ชื่อว่านรูปาวจรปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นอรูปาวจรกุศลและอรูปาวจรอัพยากฤิชื่อว่าอรูปาวจรปัญญาปัญญาที่เป็นกรรมาวจรปัญญาที่เป็นรูปาวจรและปัญญาที่ไม่นับหนื่องในวัตทุกข์ชื่อว่าณอรูปาวจรปัญญา ปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอพยากฤษในภูมิสาชื่อว่าปริยาปัณะปัญญาปัญญาในมรสีผลสีชื่อว่าอปริยาปัณะปัญญาปัญญาในมรสีชื่อว่านิยานิสระปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสามที่เป็นวิบากในภูมิสี่และที่เป็นอพยากตะกริยาในภูมิสามชื่อว่าอนิยานิสะปัญญา ปัญญาในมรรคสี่ชื่อว่าเนยตะปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสามที่เป็นวิบากในภูมิสี่และที่เป็นอพยกตากริยาในภูมิสามชื่อว่าอนิยตะปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอพยกริในภูมิสามชื่อว่าสอุตระปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสีชื่อว่าอนุตรปัญญาบรรดาปัญญาเหล่านั้น อัตตาชาปิกะปัญญาเป็นไนปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสี่และที่เป็นอัพยกตะกริยาของพระอรหันต์ผู้กำลังทำอภิญญาให้เกิดขึ้นผู้กำลังทำสมาบัติให้เกิดขึ้นชื่อว่าอัตตาชาปิกะปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิสี่และที่เป็นอภยากตะกริยาของพระอรหันต์ในเมื่ออภิญญาและสมาบัติเกิดขึ้นแล้วชื่อว่า ชาปิตตัฏฐะปัญญายานวัตถุหมดละสองมีด้วยประการาชนีทุกขะนิเทศจบสามตึกกนิเทศบรรดายานวัตถุหมดละสามนั้นจินตามะยะปัญญาเป็นไฉไหน ในการงานทั ana, ah been, ya, ah ana, ้งหลายที scrape, land, land, you, you, ่ต e hm <ok so ้องจัดการด้วยปัญญาในศิลปะทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาหรือในวิชาทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาบุคคลไม่ได้ฟังจากผู้อื่นได้กรรมสกะตายานหรือได้จดจานุโลมิกระานว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้บ้างได้ความสามารถ ความคิดอ่านความพอใจความกระจจางความเพ่งพินิษ์และได้ปัญญาที่สามารถไตร่ตรองสภาวะธรรมอันเหมาะสมมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าจินตามยะปัญญาสุตตมยะปัญญาเป็นไนในการงานทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาในศินละปะทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาในวิชาทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาบุคคลได้ฟังจากผู้อื่น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 ปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแม่ทั้งหมดชื่อว่าภาวนามยปัญญาทานามยะปัญญาเป็นไนปัญญาคิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารภทานเกิดขึ้นไก่บุคคลผู้ให้ทานนี้เรียกว่าทานามยปัญญาศีละมยะปัญญาเป็นไนปัญญาคิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, งาย ความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารบศีลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้รักษาศีลนี้เรียกว่าศีละมยะปัญญาปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแม้ทั้งหมดชื่อว่าภาวนามยปัญญามาทิศีละปัญญาเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิเกิดขึ้นแก่ผู้สำรวมปาฏิโมกขสังวรนี้เรียกว่า อธิสิลปัญญาอธิจิตตปัญญาเป็นไงปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิเกิดขึ้นแก่ผู้เข้ารูปราวจรสมาบัติและอรูปราวจรสมาบัตินี้เรียกว่าอธิจิตตปัญญาอธิปัญญาปัญญาเป็นไงปัญญาในมัคสีผลสีนี้เรียกว่าอธิปัญญาปัญญาอายโกศลเป็นไง เมื่อบุคคลพิจารณาธรรมเหล่านี้อยู่ธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปหรือเมื่อบุคคลพิจารณาธรรมเหล่านี้อยู่ธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดก็เกิดและที่เกิดแล้วก็เป็นไปเพื่อพิญโยภาพไพ่บู์เจริญบริบูรณ์ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิในข้อนั้นนี้เรียกว่าอายโกศล อาปลายะโปศนเป็นไนเมื่อบุคคลพิจารณาธรรมเหล่านี้อยู่ธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดแล้วก็ดับไปหรือเมื่อบุคคลพิจารณาธรรมเหล่านี้อยู่ธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งยังไม่เกิดก็เกิดและที่เกิดแล้วก็เป็นไปเพื่อพินโยภาพภัยบูนปัญญาคิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสำมาติทิในข้อนั้น นี้เรียกว่าอาปายะโกศลปัญญาแม้ทั้งหมดที่เป็นอุบายสำหรับแก้ไขในเมื่อขิตรีบด่วนหรือภายที่เกิดแล้วนั้นชื่อว่าอุปายะโกศลปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นวิปากในภูมิสี่ชื่อว่าวิปากปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสี่ชื่อว่าวิปากธรรมะธรรมะปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นอภยกะตะกริยาในภูมิสามชื่อว่าเนววิปากะนวิปากะธรรมะธรรมปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิปากในภูมิสามชื่อว่าอุปาทินุปาทานิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสามและที่เป็นอภยกะตากริยาในภูมิสามชื่อว่าอนุปาทินนุปาทานิยปัญญาปัญญาในมรสีผลสีชื่อว่า อนุปาถินะอนุปาธานิยปัญญาปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยวิตกและวิจารณ์ชื่อว่าสวิตตะกะสวิจาระปัญญาปัญญาที่วิปยุทธ์จากวิตกแต่สัมปยุทธ์ด้วยวิจารณชื่อว่าอาวิตกกะวิจาระมัตตปัญญาปัญญาที่วิปยุทธ์จากวิตกและวิจารณ์ชื่อว่าอวิตกกะอวิจาระปัญญาปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยปีติชื่อว่าปีติสหกตะปัญญา ปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขชื่อว่าสุขสหัคตะปัญญาปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาชื่อว่าอุเบกขาสหัคตะปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสามชื่อว่าอาจิยคามินีปัญญาปัญญาในมรรคสีชื่อว่าอปิญญาคามินีปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิสี่และที่เป็นอัพญญาคตะกริยาในภูมิสามชื่อว่า เนวจยคามินาปัญญาคามินีปัญญาปัญญาในมัคคีและในผลสามชื่อว่าเสขะปัญญาปัญญาในอรหัตผลอันเป็นผลเบื้องบนชื่อว่าอเสขะปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสามที่เป็นวิบากในภูมิสามและที่เป็นอภยากตะกริยาในภูมิสามชื่อว่าเนวเสขะนาเสขะปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอภยากฤิซึ่งเป็นกลามวจรชื่อว่าปริตตปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอภยากฤิซึ่งเป็นรูปาวจรและอรูปาวจรชื่อว่ามหากตะปัญญาปัญญาในมัคสีผลสีชื่อว่าอปมานปัญญาบรรดาปัญญาเหล่านั้นปริตาระมณปัญญาเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิป ร, ราลบสภาวะธรรมที่เป็นปริตตะเกิดขึ้นนี้เรียกว่าปริตาระมะนะปัญญามหากตาระมะนะปัญญาเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิป ร, ราลบสภาวะธรรมที่เป็นมหากตะเกิดขึ้นนี้เรียกว่ามหาคตาระมะนะปัญญาอปมานาระมะนะปัญญาเป็นไนะ ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาติฐิปรารบสภาวะธรรมที่เป็นอปปมานะเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอปปมานารมณปัญญามคารมณปัญญาเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาติฐิปรารบอริยมเกิดขึ้นนี้เรียกว่ามัคคารมณปัญญา ปัญญาในมัคสีชื่อว่ามัคเหตุกะปัญญามัคคาทิปตินีปัญญาเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิทำอริยมรคให้เป็นอธิปดีเกิดขึ้นนี้เรียกว่ามัคคาทิปตินีปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นวิบากในภูมิสีที่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี แต่กล่าวไม่ได้ว่ายังไม่เกิดขึ้นปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสี่และที่เป็นอพยกตะกริยาในภูมิสามที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนปัญญาทั้งหมดที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีอติตารมณปัญญาเป็นไนปัญญาคิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารภสภาวธรรมที่เป็นอดีตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอติตารมณปัญญาอนาคตารมณปัญญาเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชักความไม่หลงงม ง, ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารภสภาวธรรมที่เป็นอนาคตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอนาคตารมณปัญญา ปัจุปันนารมณปัญญาเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารฏสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นน้เรียกว่าปัจจุปันนารมณปัญญาปัญญาทั้งหมดนั่นแหละที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีอชัตตารมณปัญญาเป็นไน ปัญญากิริยาที nope. ่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารบสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอาชตารรมะปัญญาพระหิทธาธรรมะปัญญาเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารบสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นนี้เรียกว่า พระหิทธารมณะปัญญาอาชะตะพหิทธารมณปัญญาเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิพรารพสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนและภายนอกตนเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอาชัตะพหิทธารมณปัญญายานวัตถุหมวดละสามมีด้วยประการฉนี้ตึกกระนิเทศจบ จจตุ ก, กะนิเทศบรรดายานวัตถุหมดละสีนั้นกรรมสกะตายานเป็นไ น, นปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิซึ่งมีลักษณะว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามี มารดามีขุณปิดามีขุนสัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นมีอยู่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบรู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งมีอยู่ในโลกดังนี้นี้เรียกว่ากรรมส ก, กะตายานเว้นสัจจานุโลมิขยานเสียปัญญาที่เป็นผู้สซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแม้ทั้งหมดชื่อว่ากรรมส ก, กตายาน สัจจานุโลมิกรยานเป็นไนความสามารถความคิดอ่านความพอใจความกระจ่างความเพ่งพินิษปัญญาที่สามารถไตรตรองสภาวธรรมอันเหมาะสมซึ่งมีลักษณะหรือว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงหรือวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้บ้างนี้เรียกว่าสัจจานุโลมิกรยานปัญญาในมรรคสีชื่อว่า มัคคสมังคิยานปัญญาในผลสีชื่อว่าผลลสมังคิยานมัคคะสมังคิยานได้แก่ความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขะสมุทยัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบรรดาความรู้เหล่านั้นความรู้ในทุกขเป็นไนปัญญาคิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ ปรารบทุกเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในทุกข์ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเว้นธรรมสัมมาทิฐิปรารบทุกกระสมุทัยปรารบทุกขานิโรธปรารบทุกขานิโรธาคาม่นีปฏิปทาเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นขุศลและอภยากฤิที่เป็นกรรมวจรชื่อว่า ปามวจระปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพญากฤตที่เป็นรูปาวจรชื่อว่ารูปาวจระปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอภิญากฤตที่เป็นอรูปาวจรชื่อว่าอรูปาวจระปัญญาปัญญาในมัคสีผลสีชื่อว่าอปริยาปัณปัญญาธรรมยานเป็นไนปัญญาในมัคสีผลสีชื่อว่าธรรมยาน พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงนำไตรยะคือปัจเจเวคณะญาณไปในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ซึ่งทรงรู้ทรงเห็นทรงบรรลุทรงรู้แจ้งและทรงอย่างถึงแล้วว่าในอดีตการสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งได้รู้ทุกรู้ทุกขสมุทัยรู้ทุกขานิโรธและรู้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้รู้ทุกนี้ รู้ทุกขสมุทัยนี้รู้ทุกขนิโรธนี้รู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้ในอนาคตการสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งจกรู้ทุกรู้ทุกขสมุทัยรู้ทุกขนิโรธรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานสมณะหรือพรามเหล่านั้นก็จะรู้ทุกนี้รู้ทุกขสมุทัยนี้รู้ทุกขนิโรดนี้รู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้ ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสั ม, มาติิในการนำนัยยะคือปัจจเวคณาญาณนี้ไปนั้นนี้เรียกว่าอ น, นุญยญานปริจยานเป็นไนภิสุในธรรมวิ น, นัยนี้กำหนดรู้จิตของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นด้วยจิตคือรู้จิตมีราคะว่าจิตมีราคะรู้จิตปราศจากราคะว่า จิตปราศจากราคะรู้จิตมีโทสะว่าจิตมีโทสะรู้จิตปราศจากโทสะว่าจิตปราศจากโทสะรู้จิตมีโมหาว่าจิตมีโมหะรู้จิตปราศจากโมหาว่าจิตปราศจากโมหะรู้จิตหดหูว่าจิตหดหูรู้จิตฟุ้งซ่านว่าจิตฟุ้งซ่านรู้จิตพี่เป็นมหากตะว่าจิตเป็นมหากตะรู้จิตที่ไม่เป็นมหากตะว่า จิตไม่เป็นมหักตะรู้จิตเป็นสอุตระว่าจิตเป็นสอุตระรู้จิตอนุตระว่าจิตอนุตระรู้จิตที่เป็นสมาธิว่าจิตเป็นสมาธิหรือรู้จิตไม่เป็นสมาธิว่าจิตไม่เป็นสมาธิรู้จิตหลุดพ้นว่าจิตหลุดพ้นหรือรู้จิตไม่หลุดพ้นว่าจิตไม่หลุดพ้นปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ ในจิตของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นนั้นนี้เรียกว่าปริจจายาเว้นธรรมยานอันวยายาณปริจจายานแล้วปัญญาที่เหลือชื่อว่าสมุติยานอาจยโนโออาปัญญาเป็นไ น, นปัญญาในกลามวจรกุศลชื่อว่าอาจยโนโออยปัญญาปัญญาในมัคสีชื่อว่าอาปออัจยญญาโออาจยา ปัญญาในรูปาวจรกุศลและอรูปาวจรกุศลชื่อว่าอาจิยะอปัจิยะปัญญาปัญญาที่เหลือชื่อว่าอาจิยะโนอปัจิยะปัญญานิพิทานโนปฏิเวทปัญญาเป็นไนบุคคลเป็นผู้ปราศจากราคะในกลางทั้งหลายแต่ไม่ได้แทงตลอดอภิญญาและสัจจะทั้งหลายด้วยปัญญาใดนี้เรียกว่านิพิทานโนปฏิเวทปัญญา บุคคลนั้นเป็นผู้ปราศจากราคะเนยกรามทั้งหลายนั่นแหละได้แทงตลอดอภิญยาแต่ไม่ได้แทงตลอดสัจจะทั้งหลายด้วยปัญญานี้เรียกว่าปฏิเวทโนนิพถาปัญญาปัญญาในมัคสีชื่อว่านิพถาปฏิเวทปัญญาปัญญาที่เหลือชื่อว่าเนวานิพทาโนปฏิเวทปัญญาฮานภาคินีปัญญาเป็นไน สัญญามนสิยการที่สหรคตด้วยกลามครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้ปฐมฌานชื่อว่าหาณภาคินีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิติภาคินีปัญญาสัญญามนสิยการที่ไม่สหรคตด้วยวิตตครอบงำชื่อว่าวิเศษภาคินีปัญญาสัญญามนสิยการที่สหรคตด้วยนิพิทาประกอบด้วยวิราคะครอบงำ ชื่อว่านิเพทะพาขินีปัญญาสัญญามนศษการที่สหรคตรด้วยวิตกครอบงาโยคาวจรบุคคลผู้ได้ทุติยชาญชื่อว่าหาณพาขินีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิติพาขินีปัญญาสัญญามนศษการที่สหรคตรด้วยอุเบขาครอบงาชื่อว่าวิเศษพาขินีปัญญา สัญญามนสการที่สหรโครด้วยนิพทาประกอบด้วยวิราคาครอบงำชื่อว่านิเพทภาคินีปัญญาสัญญามนสการที่สหรโครด้วยปีติและสุขครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้ตติยฌานชื่อว่าหานภาคินีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิติภาคินีปัญญา สัญญามนุษการที่สหรคตด้วยอทุกขมสุขเวทนาครอบงำชื่อว่าวิเศษภาคินีปัญญาสัญญามนุิยการที่สหรคตด้วยนิพิทาประกอบด้วยวิราคะครอบงำชื่อว่านิเพทภาคินีปัญญาสัญญามนุษการที่สหรคตด้วยอุเวขาครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้จตุตชานชื่อว่าหานภาคินีปัญญา สติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิติภาคินีปัญญา 2014. สัญญามนัสิการที่สหรโคด้วยอากาศสานัญจายตนะครอบงำชื่อว่าวิเศษภาคินีปัญญาสัญญามนัสิการที่สหรโคด้วยนิพิทาประกอบด้วยวิราคะครอบงำชื่อว่านิเพทภาคินีปัญญาสัญญามนัสิการที่สหรคตด ال ้วยรูปครอบงำโยคาวจรบุคคล ผู้ได้อากาสานัญจาตนะชื่อว่าหาณภพาคินีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิติพาคินีปัญญาสัญญามนุิยการที่สหรคตด้วยวิญญาณนัญญาตนะครอบงำชื่อว่าวิเศษภาคินีปัญญาสัญญามนสิยการที่สหรคปด้วยนิพพทาประกอบด้วยวิราคะครอบงำชื่อว่านิเพทภาคินีปัญญา สัญญามนุิยการที่สหรคตด้วยอากาสานัญจายตนะครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้วิญญาณัญจายตนะชื่อว่าหาเนพาขินีปัญญาสติที่มิสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าติติภาคินีปัญญาสัญญามนุิยการที่สหรคตด้วยอาคินจัญญายตนะครอบงำชื่อว่าวิเสสะพาคินีปัญญาสัญญามนุิยการที่สหรคตด้วยนิพิทา ประกอบด้วยวิราคะชื่อว่านิเพทะพาคินีปัญญาสัญญามนัสสการที่สหรกรดด้วยวิญญาณัญจายตนะครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้อากินจัญญายตนะชื่อว่าหาณภาคินีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าถิติภาคินีปัญญาสัญญามนัสสการที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะครอบงำชื่อว่า วิเศษภาคินีปัญญาสัญญามนสิยการที่สหรูปด้วยนิพพทาประกอบด้วยวิราคะครอบงำชื่อว่ า, านิเพทภาคินีปัญญ า, า, าปฏิสัมพิทาสี่เป็ญญนไนรรปฏิสัมพิทาสี่คือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัฏฐสองธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรมสนิโรติปฏิสัมพิทา ปัญญาแตกฉานในนิรุตติสปฏิภาณะปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปฏิภาณความรู้ในอาจชื่อว่าอาัฏถปฏิสัมพิทาความรู้ในธรรมชื่อว่าธมรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมะนิรุตตินั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาความรู้นิยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาเหล่านี้ชื่อว่าปฏิสัมพิทา ป, ป, ป, ปฏิปทาสี่เป็นไนปฏิปทาสี่คือ 1. ปัญญาที่เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าสองปัญญาที่เป็นทุกขลาป ฏ, ฏ, ฏิปทาขิปาพิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. ปัญญาที่เป็นสุขลาป ฏ, ฏ, ฏ, ฏ, ฏ, ฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าส ปัญญาที่เป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วบรรดาปฏิปทาสี่เหล่านั้นปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นไฉหนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นไตรโยคาวจรบุคคลผู้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยมากโดยลำบากทั้งรู้ฐานะนั้นช้านี้เรียกว่า ปัญญาที่เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาปัญญาที่เป็นทุกขลาปฏิปทาขิปาพิญญาเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิเกิดขึ้นแก่โยคาวจรบุคคลผู้ทําสมาธิให้เกิดขึ้นโดยยากโดยลําบากแต่รู้ฐานะนั้นได้เร็วนี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นทุกขลาปฏิปทาขิปาพิญญา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 ปัญญาที่เป็นปริตะและมีปริตะเป็นอารมณ์สองปัญญาที่เป็นปริตะแต่มีอปปมานะเป็นอารมณ์สปัญญาที่เป็นอปปมานะแต่มีปริตะเป็นอารมณ์สปัญญาที่เป็นอปปามะนะและมีอปปมานะเป็นอารมณ์บรรดาอารมณปัญญาสี่นั้นปัญญาที่เป็นปริตะและมีปริตะเป็นอารมณ์เป็นฉนปัญญาคิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิเกิดขึ้นแก่โยคาวจรบุคคลผู้ได้สมาธิที่ยังไม่ชำนานคล่องแคล่วแพอารมณ์ไปได้เล็กน้อยนี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นปริตะและมีปริตะเป็นอารมณ์ปัญญาที่เป็นปริต ะ, แ, ะ, ะ, ญญะแต่มีอปิมานะเป็นอารมณ์เป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิ เกิดขึ้นแก่โยคาวจรบุคคลผู้ได้สมาธิที่ยังไม่ชำนาญคล่องแคล่วแพอารมณ์ไปได้กว้างขวางจนหาประมาณมิได้นี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นปริตะแต่มีอปปมานะเป็นอารมณ์ปัญญาที่เป็นอปปมานะแต่มีปริตะเป็นอารมณ์เป็นไนปัญญาปิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิเกิดขึ้นแก่โยคาวจรบุคคล ผู้ได้สมาธิที่ชำนาญคล่องแคล่วแผ่อารมณ์ไปได้เล็กน้อยนี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นอปปมานะแต่มีปริตะเป็นอารมณ์ปัญญาที่เป็นอปปมานะและมีอปปมานะเป็นอารมณ์เป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิเกิดขึ้นแก่โยคาวจรบุคคลผู้ได้สมาธิที่ชำนาญคล่องแคล่ว แผ <asthma> ่อารมณ์ไปได้กว้างขวางจนหาประมาณมิได้นี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นอปปามานะและมีอปมาณะนั้นเป็นอารมณ์เหล่านี้เรียกว่าอารามณนปัญญาสี่เมื่อพระสมังคิยญาได้แก่นี้ความรู้ในชรามรณะนี้ความรู้ในชรามรณะสมุทัยนี้ความรู้ในชรามรณะนิโรธนี้ความรู้ในชรามรณะนิโรธคามณนีปฏิปทา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 และถึงปราลบชะรามรณนิโรธเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในชรามรณนิโรธปรารบชรามรณนิโรธัขามณมีปฏิปทาเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในชรามรณะนิโรธขาม่มีปฏิปทามรรคะสมังคิยานได้แก่ความรู้ในชาติความรู้ในภพความรู้ในอุปาทานความรู้ในตัณหาความรู้ในเวทนา ความรู้ในผัสสะความรู้ในสลาญตนะความรู้ในนามความรู้ในวิญญาณความรู้ในสังขารความรู้ในสังขารสมุทัยความรู้ในสังขารนิโรธและความรู้ในสังขารนิโรธคามิฏิปฏิปทาบรรดาความรู้เหล่านั้นความรู้ในสังขารเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิ ปรารบสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในสังขารปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารบสังขารสมุ ท, ทยัยปรารบสังขารนิโรธปรารบสังขารนิโรทคามนีปฏิปทาเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในสังขารนิโรทคาเมณีปฏิปทาญาณววุฒหมดลสี่มีด้วยประการชนิ จะตกะนิเทศจบ